ชั ย, ยาของท่านเจ้าพุทธทาสเนี่ยมีภาพวาดอยู่ภาพหนึ่งนะอยู่ที่โรงหมาบะสบทางวิจารณ์เป็นภาพวาดแบบเซนภาพนั้นเนี่ยก็มีเสือตัวหนึ่งนะตัวใหญ่เลยนอนหลับนะพริมเลยนะดูไม่น่ากลัวเลยข้างข้านี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็นอนหลับด้วย หัวนี้ก็ไปเกยกับหัวของเสือเลยทีเดียวก็ดูเป็นภาพที่แฝงความหมายทางธรรมเอาไว้แต่ว่าหลายคนดูแล้วก็ดูไม่ออกว่าผู้ว่านี่ต้องการสื่ออะไรก็ตีความไปได้หลายแง่หลายมุมถ้าเรา พิจารณาภาพนี้นะการที่เสือนอนหลับและชายผู้นั้นก็หลับด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะแต่ถ้าเกิดเสือตื่นขึ้นมาและชายคนนั้นยังหลับอยู่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คงจะโดนเสือขมิ้มนะอ้นี่ท่านผู้ว่านี่ก็ กงต้องการที่จะสะท้อนนะถึงสภาวะจิตนะของอผู้ปฏิบัติจำนวนมากที่ปฏิบัติทำเจริญสมาธิภาวนาแล้วเกิดความสงบในตอนนั้นเนี่ยนะสีกิเลสี่มันก็จะสงบลง เวลาเราภาวนาแล้วเราพกความสุขในใจเนี่ยนั่นก็หมายความว่ากิเลสเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโลภะราคะโทสะเนี่ยมันสงบลงในเพราะเช่นนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะแต่ถึงทั้งัญนคือว่าถ้าว่าปล่อยให้สติเนี่ยมัน มันหลับไปด้วยนะไม่ใช่แค่กิเลสสงบแต่ว่าสติก็พลอยนะสงบหรือหลับไปด้วยเนี่ยดูไปเพินก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดกิเลสนี่มันตื่นขึ้นมาแล้วสตินี่ยังหลับอยู่เนี่ยหรือไม่ตื่นตาม อย่างทันท่วงทีเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ต่างจากเสือในะที่ตื่นขึ้นมาแล้วชายคนนั้นยังหลับอยู่ก็โดนเสือกัดกิเลสเนี่ยถ้ามันตื่นขึ้นมาแล้วแต่ว่าสติยังไม่ตื่นตามมาด้วยนี่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีงั้นภาพนี้จะวาไปมันก็เป็น เป็นอุทาหารณ์สอนใจนักภาวนาว่าเวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยแม้ว่ากิเลสเนี่ยมันจะสงบลงนะรวมทั้งนิวรณ์นะไม่มาม่มไม่มารบ ก, กวนไม่เป็นการมชันทะหรือพยาบาท แต่ก็อย่าปล่อยให้สตินี่มันหลับไปด้วยเพราะถ้าสติหลับเมื่อไหร่หรือสตินี่ไม่ทำงานเนี่ยเมือ่อใดก็ตามที่มีอะไรมากระทบแล้วทำให้กิเลตมันฟูขึ้นมาหรือตื่นขึ้นมานี่จิตของผู้นั้นนี่ก็แย่เลยนะ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักภาวนาจำนวนมากนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เวลาภาวนาเนี่ยนะก็อยากจะให้จิตมันสงบแต่เป็นความสงบแบบขาดสตินะก็คือไปเพลินกับความสงบเมื่อมีความสุขจากความสงบแล้วเนี่ยไม่เห็นมัน หรือว่าไปเพลิกับความสงบนะจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ก็ไม่ตาจากนะชายคนนั้นนะ่ยที่นอนหลับอยู่ข้างเสือตาใดที่เสือยังไม่ตื่นนะก็ยังปลอดภัยแต่ถ้าเสือตื่นเมื่อไหร่และยังหลับอยู่นะก็แล้วชายคนนั้นยังหลับยังหลับอยู่นี่ก็เสร็จถ้ภาวน า, าจํานวนมากเนี่ยเวลาสงบแล้วเนี่ยมันก็ ไม่รู้เนอรู้ตัวนะเพราะว่าไปดื่มด่ากับความสงบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความหลงอย่างหนึ่งกันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอมีอะไรมากระทบเนี่ยโดยเพราะที่เป็นอันทิฐิฐานมเนี่ยคือรูปรสกลิกก่นเสียงนะที่ไม่น่าพอใจกระทบแล้วเนี่ยนะเกิดโทสะ ข, ขึ้นมาเกิดงุดหงดขึ้นมา เพราะว่าโดนโทสะหรือความหงุดหงิดนั้นเล่นงานเลยนะอาจจะทำให้เกิดความหัวเสียหรือว่าเผลอพูดไวๆด่าทอออกไปอันนี้เราเกิดก็เห็นได้บ่อยนะคนที่ชอบนั่งสมาธิแต่ว่าพอมีอะไรมากระทบนี้ก็ เออโวยวายนะต่อว่าด่าทอสแสดงความโกรธออกมาอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกก็ไปนั่งไปเข้าคอสระยะสั่นนะหนึ่งวันนั่งสมาธิในห้องหรือศาลาที่ปฏิบัตินี่ก็ติดแอร์นะนะเสียงจากภายนอก ก็ไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่อากาศเย็นสบายนั่งหลับตาตามลมหายใจจนทั้งความคิดมันนะหายไปไม่มีอารมณ์กระเพื่อมเกิดขึ้นคนอื่นก็เหมือนกันนะคนอื่นเขาก็ปฏิบัติด้วยความสงบไม่มีคนมาพูดจา รบกวนการปฏิบัติก็ทำให้สงบได้เร็วได้ไวทำไปได้จนถึงเย็นนะถึงเวลากลับบ้านนี่ก็เดินไปที่รถเพราะว่ารถของตัวเองเนี่ยนะมันออกไม่ได้นะเพราะว่าข้างหน้าก็มีรถข้างหลังก็มีรถแถมยังมีรถข้างข้างมาจอดซ้อนอีก โกโรธมากเลยนะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำงี้ไม่ถูกเนี่ยโกโรธนะหลุดปากนี่ด่าเลยนะด่าเจ้าของรถนะที่จอดซ้อนขันคนที่ก็เห็ น, นเห็นเหตุการณ์นี้เขาตกใจเลยนะ น, นี่พึ่งนะเข้าคอสนะมาหยกๆยกนะ แต่ทำไมอารมณ์รุนแรงแบบนั้นบางทีคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ส่งเสียงดังขนาดนั้นอันที่ก็เปรียบเหมือนกับาชายที่นอนอยู่ข้างเสือนะเสือมันหลับตัวเองก็หลับด้วยแต่พอเสือตื่นแล้วตัวเองไม่ทันตื่นนี่ก็โดนเสือเล่นงาน ในการภาวนาเนี่ยนะหลายคนเนี่ยมุ่งที่ความสงบแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของสติหรือความรู้สึกตัวซึ่งมันก็สามารถจะเกิดโทษได้นะสงบแต่ไม่มีสติพอมันเกิดโทษเมื่อไหร่สติตามรู้ไม่ทัน ก็อาจจะดาทอนะหรือว่าอารวาทขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะจากนักภาวนาหรือคนที่ผ่านคอสหลายคนที่พอกลับบ้านนี่ไอ้ตอนที่เข้าคอสนี่ห้หวันนี่มันสงบเหลือเกินที่สงบเพราะไม่มีเสียงมารบกวน ไม่มีใครมาพูดให้รําคาญนะไม่มีงานการมาทำให้หงุดหงิดเครียดนะมันก็สงบได้แต่ว่าสงบตอนนั้นมันสงบแบบไม่รู้ตัวเพลินะกับความสงบจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าติดสงบนะพอติดสงบเข้าเนี่ยกลับไปบ้านนี่เจอลูกเจอ คนที่บ้านก็พูดไม่ถูกหูบางทีเขาก็ส่งเสียงดังจริงๆมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่พอมันกระทบหูและใจกระเพื่อมแล้วก็ไม่รู้ทันไม่มีสติรู้ทันอาการของใจที่มันกระเพื่อมเนี่ยไอ้ความหงุดหงิดมันก็ลามกลายเป็นความโกรธแล้วก็วอยวายใส่ คนที่บ้านถ้ามีบางครอบครัวนี่บอกเลยนะเวลาแม่นี่กลับจากคอสนี่เตรียมงานเข้าได้เลยนะพอกลับมาถึงเนี่ยพอแม่กลับมาถึงแม่ก็จะโวยวายใส่ลูกนะหรือว่าถ้าพ่อนี่นะกลับมาจากคอสก็เตรียมโดนเทศโดนว่าได้เลยทํานิดทำหน่อยก็ไม่พอใจก็ว่า อารมณ์หงุดหงิดนะเกิดขึ้นได้ได้ง่ายมากอันนี้พระพัทิดสงบนะติดสงบพอความสงบมันถูกกระทบนี่ก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วความไม่พอใจก็กลายเป็นความโกรธและยิ่งไม่มีสติรู้ทันนะไม่มีความสึกตัวเนี่ยมันก็ถูกความโกรธมาเล่นงานมันก็เสือที่มันตื่นขึ้นมา ขยํำนชายที่ยังหลับอยู่ใเรื่อ ง, องความรู้สึกตัวเนี่ยหรือการมีสติสำคัญนะมันเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามเรามักจะสนใจแต่ความสงบเนี่ยมาภาวนาอยาให้จิตสงบทำยังไงก็ได้ให้จิตมาสงบและสงบที่ว่าเนี่ยหมายถึงการที่จิตไม่คิดอะไรเพราะว่า ถ้ามันคิดเมื่อไหรเนี่ยใจก็ฟุ้งซ่านรืยเพราะคิดถึงเรื่องที่เจ็บปวดในอดีตหรือคิดถึงปัญหาในอนาคตเนคนเดี๋ยวนี้นี่มีความทุกเนี่ยในใจมากนะแล้วเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิด ท, ท, ทั้งต้นที่รอดตัวก็สบายนะบางทีไม่มีเสียงรบกวนเลยนะแต่ว่าความคิดเนี่ย หรือเสียงในหัวนี่มันคอยเล่นงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ความคิดเนี่ยมันมันมันดับไปทำไงก็ได้เพื่อให้ความคิดมันหายไปงั้นเวลาภาวนานี่ก็อาจจะพอใจกับการนั่งหลับตาอยู่นิ่งๆแล้วก็ไปบังคับจิตเมื่อให้มันคิด อาจจะใช้คำบริกรรมช่วยนะเพื่อผูกจิตให้มันอยู่กับถ้อยคำนะมื่า จ, จะเป็นพุโทโธหรือว่าการนับนะซึ่งมันก็ช่วยนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะทำให้จิตสงบแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติไม่ทำความฝึกตัวนะพอจิตไม่สงบเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาแล้ว ก็กลายเป็นหลงเข้าไปในความคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์ถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวเมื่อไหร่มันก็หลงง่ายนะหลงที่ว่านี่มันคือหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์นั่นค่อหลงคิดนะหรือหลงอารมณ์แล้วก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่ามีสติมีความสึกตัวนะมันมีความคิดเกิดขึ้น มันก็ไม่หลงเข้าไปในความคิดง่ายๆนะหรือมันก็ไม่ถลําจมเข้าไปในอารมณ์ง่ายๆเพราะสติมันทําให้เห็นนะความคิดทําให้รู้ทันความคิดทําให้เห็นอารมณ์ไม่ถลําเข้าไปในความคิดไม่ถลําเข้าไปในอารมณ์ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วมันไม่เกิดความคิดหรือมีความคิดเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปคิดว่าเนี่ย ปฏิบัติแล้วมันต้องไม่ให้มีความคิดนะเราก็ทําอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้มันมีไม่ให้มีความคิดเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะเรียกว่าตั้งเป้านี้ผิดละเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากนะไอ้จิตเนี่ยนะมันง่ายที่จะปรุงความคิดสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าน่าจะอยู่ที่ว่าเนี่ยให้เราให้เรารู้ทันความคิด อย่างที่หลวงปู่ดูลท่านบอกนะไอความคิดเนี่ยนะมันมันเกิดขึ้นในเสมอเหมือนกับลมหายใจนะปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิดนะเอาแค่ว่าเนี่ยให้รู้ทันเมื่อมันจิตคิดนึกไปแค่นี้ก็พออย่าฝันทั้งที่ทั้งที้ตื่นนะหมายความว่าจะหลงคิดไปโดยไม่รู้ตัว อันนี้คือสิ่งที่นักปฏิบัตินี่มักจะมักจะมองข้ามหรือว่าไม่ค่อยตันหนักเท่าไหร่เพราะว่าไปมีความเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเราจะภาวนาให้ได้ผลเนี่ยมันต้องไม่มีความคิดนะหรือว่าสงบโดยที่ปราศจากความคิดที่จริงเนี่ยถ้าสงบแล้วปราศจากความคิดแต่ถ้ามีสติมันก็ก็ยังดีนะ หรือมีความสึกตัวถ้าเราความสึกตัวเป็นหลักเอาสติเป็นหลักเนี่ยนะแม้มันไม่สงบนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะสงบก็รู้ว่าสงบนะฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งอันนี้ถือว่าดีฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งเนี่ยดีกว่าสงบแต่ไม่รู้ว่าสงบนะหรือสงบแบบไม่รู้ตัวเงี้ย สงบแบบไม่รู้ตัวนี่มันแย่กว่าฟุ้งแต่รู้ตัวหรือว่ารู้ทันนะลองมาให้ความสาคัญกับการทำความสึกตัวหรือว่าการมีสติรู้ทันความคิดดีกว่ามันจะคิดมากคิดน้อยก็ไม่สำคัญอยู่ที่ว่าให้มีความรู้ตัวเป้าหมายของนักปฏิบัตินะ ที่มีประสบการณ์เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนะไม่ใช่ให้ดับความคิดนะแต่ให้มีสติให้มีความสึกตัวเเคยมีลูกศิษย์นะเป็นพระถามหลวงพ่อช้าว่าเนี่ยเวลาภาวนานเนี่ยมันฟุ้งมันเตลิดนั่งสมาธิยังไงนะใจจงึงจะสงบหลวงพ่อช่าตอบว่าเนี่ย มันเตลเอก็ช่างมันมันเตลเอ๋ก็ช่างมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดคิดไปเองคือท่านไม่ได้แน่ให้ไปไปควบคุมความคิดไม่ให้ไปบังคับจิตไม่ให้คิดมันจะฟุ้งมันจะคิดอะไรก็ช่างมันหน้าที่ของเราคือดูดูรรู้ทันมันและการที่เราจะมีสติ ที่ฉับไวเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการที่มีความคิดเกิดขึ้นบ่อยๆนะยิ่งความคิดเกิดขึ้น บ, บน่อยๆนี่มันก็เหมือนกันว่าสตินี่มีแบบฝึกหัดหรือมีคู่ซ้อมนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายเลยเป็นสิ่งที่ดีได้ซ้ำนะบางทีเราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติที่ก้าวหน้านี่นก็คือไม่มีความคิดจิตหยุดนิ่งนะมันไม่ใช่นะ ครูบาอาจารย์ที่เป็นระดับปรมาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความคิดหรือว่าจิตนี่สงบตลอดเวลานี่ไม่ใช่หลวงปู่เสาเนี่ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ปั้นนะเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ของพระป่าเลยมีคราวหนึ่งนะพระอาจารย์พุธเนี่ยหรือหลวงพ่อพุธเนี่ยตอนนั้นก็ยังเป็นพระหนุ่มไปอุปถักค์หลวงปู่เสา อยู่ๆเนี่ยหลวงปู่สาท่านก็เปิดๆขึ้นมาว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยจิตข้ามันไม่สงบนะมันมีแต่ความคิดผมพ่อพูกอนเลยถามว่าเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านหรือไงอาจารย์หลวงปู่สาท่านก็ไม่ตอบตรงๆแล้วท่านก็พูดว่าเนี่ยถ้าให้มันหยุดนิ่งก็ไม่ก้าวหน้านะ ถ้าให้จิตมันหยุดนิ่งเนี่ยก็ไม่ก้าวหน้าก้าวหน้าในทีนน่นีหมายถึงก้าวหน้าในการปฏิบัติโดยเพราะการปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นสมาธิรรมฐานเนี่ยความก้าวหน้าอยู่ที่จิตมันสงบไม่คิดอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะว่าปัญญายังไม่เกิด แล้วความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นความสงบชั่วคราวพอลืมตาพอออกไปเจอผู้คนนะเจอรกรสกลิกลกก่นเสียงไอ้ความคิดที่มันสงบนะมันก็เรียกว่าพลั้งพลูออกมาหรือบางทีกิเลสที่มันสงบมันก็ถูกกระตุกกระตุ้นออกมามันเป็นความสงบชั่วคราวสงบตาบใดที่ยังไม่ไปรับรู้อารมณ์ ยูไม่มีอะไรมากระทบแต่พอมีอะไรมากระทบนี่มันก็จะกระเพื่อมจากกระเพื่อมแล้วสติก็ยังสงบได้นะถ้ามีสติรู้ทันมีความสึกตัวนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นนี่แหละอารุณที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะที่มันจะเป็นแบบฝึกหัดให้กับสติรวมทั้งแสดงรมให้ใจนี่ได้เห็นเห็นพระไตรลักษณ์หอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้คือจุดหมายของการทําวิปัสสนาหลวงปู่สาวท่านยังบอกว่าเนี่ยถ้าให้จิตมันหยุดนิ่งมันก็ไม่มีความก้าวหน้านะขนาดหลวงปู่สาวนะท่านยังไม่ใช่ว่าท่านจะสงบนิ่งหรือว่าหยุดคิดนะสงบตลอดเวลาไม่ใช่บางคราวเนี่ยในใจมันก็มีความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าความคิดเหานั้นไม่ได้ทำให้ท่านทุกนะเพราะว่ามัน ท่านก็มีสติไวรู้ทันเห็นมันเห็นแล้วก็ไอความคิดเราเนี่มันก็ทำอะไรไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อค ำ, คำเขียนต้องใช้คำว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นใหม่ๆเนี่ยเราคิดว่าเราทุกเพราะความคิดนะแต่ก่อนตอนไม่ปฏิบัติก็คิดว่าทุกเพราะโน่นเพราะนี่ทุกเพราะสิ่งภายนอกทุกเพราะเสียงทุกเพราะสิ่งที่มาก็ทบกทุกเพราะผู้คน ตอนหลังมามาปฏิบัติมาดูจิตดูใจก็พบว่ามันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกแต่เป็นเพราะความคิดมากกว่าก็เริ่มเห็นแล้วนะทุกข์เพราะความคิดแต่ถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติตาก็จะพบว่ามันไม่ทุกข์เพราะความคิดหรอกนะมันทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดมันทุกข์เพราะหลงคิดหลายคนว่าถ้าคิดโดยรู้ตัว หรือรู้ทันความคิดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจิตยังสงบได้แม้จะมีความคิดเกิดขึ้นเพราะมีสติพราะมีความรู้สึกตัวนะสติความรู้สึกตัวนี่มันก็เป็นเหมือนกับฝาแฝด น, นะจะมีความรู้สึกตัวได้ก็เพราะมีสติจะมีสติได้ก็เพราะความรู้สึกตัวและนี่คือสิ่งที่เราต้องเพียรพยายามทำให้มากๆ พระพุเจ้าเนีเคยตรัสนะถึงพระภิโสกลุ่มหนึ่งนะท่านบอกว่าเนี่ยแม้ว่าจะมีะกายบริสุทธิ์วจีบริสุทธิ์นะมโนโบริสุทธิ์แม้จะมีความรู้ประมาณในการบริโภคนะมีความเพียรนะเป็นเครื่องตื่นเป็นวิหารธรรมทีท่ทําให้เป็นเครื่องตื่นหรือชาคริยานุโยคเนี่ยนะพวกเธอก็ยังมีกิจที่ต้องทําให้ยิ่งไปกว่า น, นี้นะ สิ่ที่ทําให้ยิงไปกว่า น, นี้คืออะไรนะให้มีความสึกตัวนะเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลามองไปข้างหน้าเหลียวซ้ายและขวานะเวลาคู่เหยียดอวัยวะมีความสึกตัวนะเวลาผ่าสังขาตินะสะพายบาดคลองจิวรมีความสึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มอุจจราปัสสวะมีความสึกตัวเวลายืนเดินยืนนั่งนอน ตื่นนะพูดนิ่งนี่คือความสาคัญความสึกตัวนี่ที่พระเจา้าส่งเน้นยับเลยนะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะมีเวลาภาวนามันมันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้ามีสติความสึกตัวเนี่ยให้สิยที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่จะเป็นความคิดหรืออารมณ์เนี่ย มันไม่ใช่เป็นแค่เป็นเครื่องฝึกสติหรือทำให้ความสึกตัวตั้งมั่นมากขึ้นนะแต่มันยังทำให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นจุดหมายคุิปัสนาเลยความก้าวหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ทำให้จิตเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งในี่เวลาคนที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยเวลาทำาบเนี่ยจิตมันสงบนะทั้งที่เดินจงกรมทั้งยกมือสร้างจังหวะเนี่ย ท่านก็ บ, บอกเลยนะให้ทำเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นเพื่อขย่าวความคิดให้มันออกมาเพราะถ้ามาสงบมากๆนี่ไม่ดีนะสงบมากๆไม่ดีมันจะติดสงบแล้วก็สติก็จะถอยถดถอยต้องขย่าวให้มันให้ความคิดมันออกมาเยอะๆนะอันนี้ก็เหมือนกับที่หลวงปู่สาววนะถ้าให้ถ้าให้มันหยุดนิ่งเนี่ยมันก็ไม่มีความก้าวหน้าถึงนะในระดับของปรมาจาร์แล้วนี่บางทีมันสวนทางความเข้าใจของเรานะ สงบมากๆนี้ไม่ดีแต่ต้องทำให้มันมีความคิดออกมาเพื่อเที่ยได้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการภาวนาโดยเขาที่เป็นวิปัสสนา